อติตะวาระว่าด้วยสภาวะธรรมที่เป็นอดีตอนุโลมบุคคลจากขายัตนาโมลกกาในสาสิบอนุจากขายัตนาของบุคคลใดเคยเกิดโสตายัตนะของบุคล ค, บคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิโสตายัตนะของบุคคลใดเคยเกิดจากขายัตนะของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุ จากขายตนะของบุคคลใดเคยเกิดคานายตนะรูปายตนะมนายตนะธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิธรรมายตนะของบุคคลใดเคยเกิดจากขายตนะของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่สามสิบเก้าอนุคานายตนะรูปายตนะมนายตนะของบุคคลใดเคยเกิด ธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิธรรมายตนะของบุคคลใดเคยเกิดมนายตนะของบุคคล น, นั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่มนายตนะมูลกะในจบอนุโลมะโอกาสจะขายายตนะมูลกะในสี่สิบอนุจะขายายตนะในภูมิใดเคยเกิดละถึง คำที่ท่านกล่าวไว้ว่าในภูมิใดเพิ่งเพิ่มเชื่อที่เกินเข้ามาว่ากำลังเกิดเคยเกิดทั้งในปัจจุบันอดีตอนาคตปัจจุบันกับอดีตปัจจุบันกับอนาคตอดีตกับอนาคตเหมือนกันทุกแห่งอนุโลมมปุกกโลกาดจากขายยตนะมูลกะใน41อนุจากขายาาขายตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิด โสตายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปติโสตายตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดจากขายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุจากขายตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดคานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิ จากขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่คานายตนะไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบาตวอยู่ในกาาวจรภูมิจากขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและคานายตนะก็เคยเกิดปฏิคานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดจากขายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุ จักขายยตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดรูปายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิรูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดจักขายยตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่จักขายยตนะไม่เคยเกิด บุคคลผู้อุบัติอยู่ในปัญจโวการภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและจักขายยตนะก็เคยเกิดอนุจักขายยตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดมนายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปติมนายตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดจักขายยตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหม วิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิมานายาตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่จักขายาตนะไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในปัญจโวการภูมิมานายาตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและจักขายาตนะก็เคยเกิดอนุจักขายาตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดธรรมายาตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิ ด, กดใช่ไหมวิใช่ ปํิธมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดจากขายาตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิและอรูปภูมิธรรมายตนะของบุคลนน ค, ค, บ ค, ลบคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่จากขายัตนะไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในปัญจวการภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิด และจักขายานะก็เคยเกิดจกักายานะมูลกะในจบคานายตนะมูลกะในสี่สิบสองอนุคานายตานะของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดรูปายตานะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปติรูปายตานะของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดคานายตานะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหม วิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่คานายตนะไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกรามวจรภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและคานายตนะก็เคยเกิดอนุคานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดมนายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหม วิใช่ปฏิมนายาตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดคานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิมนรดาญตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่คานายติณะไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในคามาวจรภูมิมนรดาญตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิด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 ธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่คานายตนะไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกาโมวจรภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและคานายตนะก็เคยเกิดคานายตนะมูลกระหน่จบรูปลายตนะมูลกระหน่43อนุรูปลายตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิด มนายตนะของบุคคลนั watering, ้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิรูปายตระนัของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่มนายตนะไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในปัญจโวการภูมิรูปายตระนัของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและมนายตนะก็เคยเกิดปฏิมนายตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิด รูปายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่รูปายตนะไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในปัญจโวการะภูมิมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและรูปายตนะก็เคยเกิดรูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิด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 ธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและรูปายตนะก็เคยเกิดรูปายตนะมูลกะในจบมนายตนะมูลกะใน44อนุมนายตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดธรรมายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิธรรมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิด มนายัตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิธรรมายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่มนายัตนะไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิธรรมายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและมนายัตนะก็เคยเกิดมนายัตนตมูลกระในจบ ปัจจนกะบุคคลจากขายาตนาโมลกะใน45อนุจากขายาตนาของบุคคลใดไม่เคยเกิดโสตายาตนะของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิไม่มีปติโสตายาตนาของบุคคลใดไม่เคยเกิดจากขายาตนาของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิไม่มีย่อจากขายาตนาโมลกะในจบ มนายตนะมูลกะใน46มนายตนะของบุคคลใดไม่เคยเกิดธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิไม่มีปฏิธรรมายตนะของบุคคลใดไม่เคยเกิดมนายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิไม่มีปจัจเนกาโอกาสจากขายตนะมูลกะใน47อนุ จะคลายยตนะในภูมิใดไม่เคยเกิดละถึงปัญจเนกะปุคโลโอกาศจะคลายยตนามูะกาใน48อนุจะคลายยตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดโสตายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิโสตายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิด จากขายาตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุจากขายาตนะของบุคคลใดในภูมิดายไม่เคยเกิดคานายาตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปติคานายาตนะของบุคคลใดในภูมิดไม่เคยเกิดจากขายาตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิ บุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่จักรขายตนะไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทาวาสภูมิอสัญญสัตตภูมิและอรูปภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและจักขายตนะก็ไม่เคยเกิดอนุจักรขายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิด รูปรายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอศัศัญิสัตตภูมิจกขายยตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่รูปรายตนะไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิและรูปภูมิจะขายยตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและรูปรายตนะก็ไม่เคยเกิดปฏิ รูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดจากขายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุจากขายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดมนายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิจากขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่มนายตนะไม่ใช่ไม่เคยเกิด บุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุดทาวสา ส, ญญสภูมิและอสัญญัตตภูมิจกขายาตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและมนายาตนะก็ไม่เคยเกิดปฏิมนายนาตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดจกขายาตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุจะขายาตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิด ธัรมายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิและอรูปภูมิจกขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่ธรรมายตนะไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิจกขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและธรรมายตนะก็ไม่เคยเกิดปฏิ ธรรมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดจากขา ย, ยายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิใช่จากขายาตนะมูลกระในจบคานายตนะโมลกระในสี่สิบเก้าอนุคานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดรูปายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิ บุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่รูปายตนะไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัต ok ิอยู่ในสุทธาวาสภูมิและอรูปภูมิคานายตนะของบุคคลเห e ล่านั <Speaker Wir k Después> ้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและรูปายตนะก็ไม่เคยเกิดปฏิรูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดคานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหม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 คานายตะณะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและมนายตะณะก็ไม่เคยเกิดปฏิมนายตะณะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดคานายตะณะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุคานายตะณะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดธรรมายตะณะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิ บุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่ธารมายตนะมิใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทาวาสภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและธรรมายตนะก็ไม่เคยเกิดปฏิธรรมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิด คานายตะณะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิใช่คานายตะณะมูลกะในจกรูปายตะณะมูลกะในห้าสิบอนุรูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดมนายตะณะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปภูมิ รูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่มนายัตนะไม่ใช <ad> ่ไม <ed> ่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและมนายัตนะก็ไม่เคยเกิดปฏิมนายัตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดรูปายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิ บุคคลผู้อุบาติอยู่ในอสัญญัตตาภูมิมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่รูปายตนะไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบาติอยู่ในสุทธาวาสภูมิมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและรูปายตนะก็ไม่เคยเกิดอุรูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดธรรมายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหม บุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิรูปรายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่ธรรมายตะนะไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิรูปรายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและธรรมายตะนะก็ไม่เคยเกิดปฏิธรรมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดรูปรายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหม วิใช่รูปายตนะโมลกกะในจบมนายาตนะโมลกะในห้าสิบเอ็ดอนุมนายาตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดธรรมายาตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอนสัญญัตต ภ, ภูมิมนายาตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่ธรรมายาตนะไม่ใช่ไม่เคยเกิด บุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุดทาวาสภูมิมานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและธรรมายตนะก็ไม่เคยเกิดปฏิธรรมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดมานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิใช่มานายตนะมูลกะในจบ นาคตวาระว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอนาคตอนุโลมบุคคลจักขายัตนามูลกะในห้าสิบสองอนุจักขายัตนะของบุคคลใดจกเกิดโสตายัตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิโสตายัตนะของบุคคลใดจกเกิดจักขายัตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่อนุ จากคายตนะของบุคคลใดจกเกิดคานายตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลเหล่าใดจากอุบัติในรูปาวจรภูมิแล้วปรินริพานจากคายตนะของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่คานายตนะไม่ใช่จกเกิดบุคคลนอกนี้จากคายตนะของบุคคลเหล่านั้นจกเกิดและคานายตนะก็จะเกิดปฏิคานายตนะของบุคคลใดจกเกิด จากขายาตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่อนุจากขายาตนะของบุคคลใดจกเกิดรูปายาตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ปติรูปายาตนะของบุคคลใดจกเกิดจากขายาตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่อนุจากขายาตนะของบุคคลใดจกเกิด มนายตนะและธรรมนนายตนะของบุคคล น, นั้นก็เป็นเช่นเดียวกันวาระเหล่านี้เหมือนกันทั้งสองวาระอนุจากขายตนะของบุคคลใดจะเกิดธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิธรรมายตนะของบุคคลใดจะเกิดจากขายตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลเหล่าใดจกอุบัติในอรูปภูมิแล้วปรินิพาน ธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่จักขาายตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ธารมายตนะของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและจักขายยตนะก็จะเกิดจก i, ักขายยตนะมูลกะในจบคานายตนะมูลกะในห้าสิบสามอนุคานายตนะของบุคคลใดจะเกิดรูปายตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ ปติรูปายตนะของบุคคลใดจะเกิดคานายตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลเหล่าใดจะอุบัติในรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพานรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่คานายตนะไม่ใช่จกเกิดบุคคลนอกนี้รูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและคานายตนะนก็จะเกิดอนุคานายตนะของบุคคลใดจกเกิด มานายตนะธรร ม, ยนน ม, ยรรมายตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ปติธรรมายตนะของบุคคลใดจะเกิดคานายตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลเหล่าใดจกอุบัติในรูปวาวจรภูมิและอรูปาวาจรภูมิแล้วปรินิพานธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่คานายตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ ธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและคานายตนะก็จะเกิดคานายตนะมูลกะในจบรูปายตนะมูลกะในห้าสิบสีอนุรูปายตนะของบุคคลใดจะเกิดมนายตนะธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิธรรมายตนะของบุคคลใดจะเกิด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 มนายตนะของบุคคลใดจะเกิดธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิธรรมายตนะของบุคคลใดจะเกิดมนายตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่มนายตนะมูลกะในจบอนุโลมโอกาสจักขายตนะมูลกะในห้าสิบหกอนุจักขายตนะในภูมิใดจะเกิด และถึงอนุโลมมะุคลโลกาดห้าสิบเจดอนุจากขายยตนะของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดสโสตายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิสโสต า, า, ายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดจากขายยตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่อนุจากขายยตนะของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิด คานายตนะของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิจกขายายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่คานายตนะไม่ใช่จกเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกามาวจรภูมิจกขาย า, า, ายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและคานายตนะก็จะเกิดปฏิคานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิด จากขายาตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่อนุจากขายาตนะของบุคคลใดในภูมิใดายจเกิดรูปายาตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิรูปรายาตนะของบุคคลใดในภูมิใดายจเกิดจากขายาตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิ ด, ใ, น ใ, นกกดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิ รูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่จักขายตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในปัญจ้าวการภูมรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและจักขายตนะก็จะเกิดอุจักขายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดมนายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิ มนายัตนณะของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดจากขายัตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัตอยู่ในอรูปภูมิมนายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่จากขายัตนณะไม่ใช่จะเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในปัญจโวการภูมิมนายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและจากขายัตนะก็จะเกิดอนุ จักขายัตนะของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดธรรมายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิธรรมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดจักขายัตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบาติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิและอรูปภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจกเกิดแต่จับขายตนะไม่ใช่จกเกิด บุคคลผู้อุบัติอยู่ในปัญจโวการภูมิธรรมายจตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและจักขายจตนะก็จะเกิดจักขายจตนาโมลกะในจบคานายจตนาโมลกะในห้าสปดอนุคานายจตนะของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดรูปายจตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิ รูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดคานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่คานายตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกามาวจรภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและคานายตนะก็จะเกิดอนุ คานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดมนายตนะธรรมายตนะของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิธรรมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดคานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปราวจรภูมิและรูปราวจรภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิด แต่คานายตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลผู้อุบาทวอยู่ในกามาวจรภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและคานายตนะก็จะเกิดคานายตนะมูลกะในจ้รูปายตนะมูลกะในห้เกอนุรูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดมานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิ บุคคลผู้อุบาทิอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิรูปรายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่มนายตนะไม่ใช่จกเกิดบุคคลผู้อุบาทิอยู่ในปัญจโวการภูมิรูปรายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและมนายตนะก็จะเกิดปฏิมนายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดรูปรายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิด drafted. ใช่ไหมวิ บุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปาวจรภูมิมานายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่รูปายัตนะไม่ใช่จกเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในปัญจโวการภูมิมานายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและรูปายัตนะก็จะเกิดอนุรูปายัตนะของบุคค ล, ลใดในภูมิใดจกเกิดธรรมายัตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ ธรรมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดรูปายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปาวจรภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่รูปายตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในปัญจวการภูมิและอสัญญสัตตภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิด และรูปายตนะก็จะเกิดรูปายตนะมูลกะในจบมนายตนะมูลกะในหกสิอนุมนายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดธํรมายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเปิดใช่ไหมวิใช่ปฏิธรรมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดมนายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิ บุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่มนายตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในจตุวการภูมิและปัญจวการภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและมนายตนะก็จะเกิดมนายตนะมูลกะในจบปัจจนีกะบุคคลจะคลายยตนะมูลกะใน หกอ็ดอนุจากขายยตนะของบุคคลใดไม่ใช่จกเกิดโสตายยตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จกเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิโสตายยตนะของบุคคลใดไม่ใช่จกเกิดจากขายยตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จกเกิดใช่ไหมวิใช่อนุจากขายยตนะของบุคคลใดไม่ใช่จกเกิดฆานายยตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จกเกิดใช่ไหม วิใช่ปฏิคานายจตนะของบุคคลใดไม่ใช่จกเกิดจากขายจตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จกเกิดใช่ไหมวิบุคคลเหล่าใดจากอุบัติในรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพานคานายจตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จกเกิดแต่จากขายจตนะไม่ใช่จากไม่เกิดประชิมภวิกระบุคคลและบุคคลเหล่าใดจากอุบัติในรูปภูมิแล้วปรินิพาน คาณาญติณะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จกเกิดและจักขายาติณะก็ไม่ใช่จกเกิดอนุจักขายาติณะของบุคคลใดไม่ใช่จกเกิดรูปายาติณะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จกเกิดใช่ไหมวิใช่ปติรูปายาติณะของบุคคลใดไม่ใช่จกเกิดจักขายาติณะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จกเกิดใช่ไหมวิใช่อนุ จักขายัตนะของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดมนายัตนะธรรมายัตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลเหล่าใดจากอุบัติในอรูปภูมิและปรินิพานจักขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดแต่ธรรมายัตนะไม่ใช่จักไม่เกิดปะชิมภวิกะบุคคลจักขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดและธรรมายัตนะก็ไม่ใช่จักเกิด ปฏิมายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จากเกิดจากขายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากเกิดใช่ไหมวิใช่จากขายตนะมูลกะในจกคานายตนะมูลกะในห2สองอนุคานายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จากเกิดปรูปายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากเกิดใช่ไหมวิ บุคคลเหล่าใดจะอุบัติในรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพานคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จากเกิดแต่รูปายตนะไม่ใช่จากไม่เกิดปาชิมพวิกะบุคคลและบุคคลเหล่าใดจกอุบัติในอรูปภูมิแล้วปรินิพานคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จากเกิดและรูปายตนะก็ไม่ใช่จากเกิดปฏติรูปายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จากเกิด คานายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิใช่อนุคานายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดมนายตนะธัรมายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพานคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดแต่ธัมมายตนะไม่ใช่จักไม่เกิด ปชิมภวิคะบุคคลคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดและธรรมายตนะก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิธรรมายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดคานายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิใช่คานายตนะมูลกะในจบรูปายตนะมูลกะในหกสิบสาอนุ รูปายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดมนายตนะธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลเหล่าใดจะอุบัติในอรูปภูมิและปรินิพานรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดแต่ธรรมายตนะไม่ใช่จักไม่เกิดปัจฉิมภวิตะบุคคลรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดและธรรมายตนะก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิ ธรรมายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดรูปายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิใช่รูปายตนะมูลกะในจบมนายตนะมูลกะในหกสิบสี่อนุมนายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิใช่ปติ ธรรมายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดมานายตนะของบุคคล น, นั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิใช่มานายตนะมูลกะในจบปั ard, จเนีกาโอกาสจะคลายยตนะมูลกะในหกสิบห้าอนุจะคลายยตนะในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดและถึงปัจเนีกะปุขโอกาสจะคลายยตนะมูลกะใน หกอนุจากขายาตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จกเกิดโสตายาตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จกเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิโสตายาตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จกเกิดจากขายาตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จกเกิดใช่ไหมวิใช่อนุจากขายาตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จกเกิด คานายตะณะของบุคคลนั <diversity> ้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จกเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิคานายตะณะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จกเกิดจากขายตะณะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จกเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิคานายตะณะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดแต่จากขายตะณะไม่ใช่จะไม่เกิด ประชิมภวิกะบุคคลในปัญจะวัคารภูมิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิและอรูปภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดและจักขายตนะก็ไม่ใช่จักเกิดอนุจักขายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดรูปลายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิ จักขายยตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดแต่รูปลายตนะไม่ใช่จักไม่เกิดปัจฉิมภวิกะบุคคลในปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิจักขายยตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดและรูปายตนะก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิรูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิด จากขายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จากเกิดใช่ไหมวิใช่อนุจากขายัตนะของบุคคลใดในภูมิดไม่ใช่จากเกิดมนายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จากเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิจากขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากเกิดแต่มนายตนะไม่ใช่จากไม่เกิด มชิ้นพะเวิกะบุคคลและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิจากขายาตนะของบุคคลเหล่านั้นในภู ม, มินั้นไม่ใช่จักเกิดและมานายาตนะก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิมานายาตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดจากขายาตนะของบุคคลนั้นในภู ม, มินั้นกน็นไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิใช่อนุจากขายาตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิด ธรรมายตนะของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิและอรูปภูมิจะขายายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดแต่ธรรมายตนะไม่ใช่จักไม่เกิดปัจฉิมภวิกะบุคคลจะขายาตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดและธรรมายตนะก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิ ธรรมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดจักขายายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิใช่จักขายายตนะมูลกะในจบคานายตนะมูลกะในหกสิบเจ็ดอนุคานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดรูปายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิ บุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดแต่รูปายตนะไม่ใช่จักไม่เกิดปัจฉิมภวิกระบุคคลในปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดและรูปายตนะก็ไม่ใช่จักเกิดปฏติรูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิด คานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จกเกิดใช่ไหมวิใช่อนุคานายตนะของบุคคลใดในภูมิดไม่ใช่จกเกิดมนายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จกเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดแต่มนายตนะไม่ใช่จักไม่เกิด ประชิ้นพวิกระบุคคลและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดและมนายตนะก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิมนายตนะของบุคคลใดในภูมใดไม่ใช่จักเกิดคานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิใช่อนุคานายตนะของบุคคลใดในภูมใดไม่ใช่จักเกิด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 บุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดแต่มนายตนะไม่ใช่จักไม่เกิดปาชิมพวิกะบุคคลรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดและมนายตนะก็ไม่ใช่จักเกิดปาติมนายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดรูปายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิ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 บุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดแต่ธรรมายตนะไม่ใช่จักไม่เกิดปัจฉิมภวิกลบุคคลรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดและธรรมายตนะก็ไม่ใช่จกเกิดปฏิธรรมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จกเกิดรูปายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้น่าไม่ใช่จกเกิดใช่ไหมวิใช่ รูปายตนะมูลกะะในจบมนายตนะมูลกระในหกสิเกอ น, นุมนายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จกเกิดธรรมายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จกเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอาจารยา์ัตตภูมิมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดแต่ธรรมายตนะไม่ใช่จักไม่เกิด ประชิมภวิกะบุคคลมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดและธรรมายตนะก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิธรรมายตนะของบุคคลใดในภูมิไดไม่ใช่จักเกิดมนายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นว่าไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิใช่มนายตนะมูลกะในจก